วันนี้เป็นวันพระรหัสที่สิบตุลาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเป็นวันขึ้นแปดข้ามเดือนสิบเอ็ดเป็นวันพระวันธรรมสวนะ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 ถ้าทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อเป็นการชำระซักอกจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์เพราะความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจนำความสุขอย่างยิ่งมาให้กับจิตใจ ความไม่สะอาดความสกปรกของจิตใจด้วยความโลภความโกรธความหลงจะนำมาซึ่งความเศร้าความทุกข์ความเศร้าหมองต่างๆดังนั้นการซับพอกจิตใจคือการศึกษาการปฏิบัติ เขาทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญต่อจิตใจผู้ที่ปรารถนาความสุขความเจริญความหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงจำเป็นที่จะต้องมีการศึกษามีการปฏิบัติ ตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัดด้วยการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือสุ ป, ปฏิปันโนภูชุ ป, ปฏิปันโนยายะปฏิปันโนสามีจิ ป, ปฏิปันโนถ้าได้มีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงต่อพระคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า ปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นจากความทุกข์แล้วความสะอาดบริสุทธิ์ของจิตใจก็จะปรากฏขึ้นมาตามลาดับจนถึงความบริสุทธิ์อันสูงสุดคือวิมุตตินิพานวิมุตตินิพานนี้ไม่ใช่อะไรที่ไหนอย่างใดแต่เป็นจิตใจที่สะอาดบริสุทธิ์จิตใจที่ได้รับการชาระ ทรัพยาด้วยการปฏิบัติทานศีลภาวนา mm hmm. ธรรมะของพระพุทธเจ้านี้เป็นเหมือนเครื่องรักผ้าพวกเราเวลาใช้เสื้อผ้าไปเราก็รู้ว่าเสื้อผ้าก็ต้องเปืเป้อน mm hmm. ด้วยเหงื่อครายบ้าง mm hmm. ด้วยฝุ่นด้วยสิ่งสกรปรกต่างๆที่เข้ามา สัมผัสกับเสื้อผ้าเมื่อเราใส่เสื้อผ้าแล้วเราก็ต้องเอาไปซักเราจะไม่ใส่ตัวเดิมไปหลายๆวันเพราะมันจะส่งกลิ่นเหม็นนั่นเองแล้วเมื่อมันส่งกลิ่นเหม็นมันก็จะทำให้ไม่มีความสุขมีความรู้สึกไม่สบายก็เลยต้องมีการซักเสื้อผ้าอยู่เรื่อยๆซักเสื้อผ้าสมัยนี้เราก็มีเครื่องซักเสื้อผ้า อาเสื้อผ้าใส่เข้าไปในเครื่องเอาผงซักผอกใส่เข้าไปเอาน้ําใส่เข้าไปไอ้นั้นเอาน้ํายาอะไรต่างๆใส่เข้าไปตามความต้องการแล้วหลังจากที่เครื่องซักผ้าซักเสื้อผ้าได้ทํางานเสร็จเสื้อผ้าก็จะสะอาดขาวสะอาดบริสุทธิ์ใจของพวกเราก็เป็นเหมือนเสื้อผ้าที่ตอนนี้ มีแต่สิ่งไม่สวยงามสิ่งโสโครกสิ่งเหม็นสิ่งที่ส่งกลิ่นเหม็นต่างๆครอบคุมจิตใจของพวกเราอยู่สิ่งนั้นเราเรียกว่ากิเลสตัณหาเครื่องเศร้าหมองกิเลสตัณหาโมหะอวิชชาความโลภความโกรธความหลงต่างๆเป็นตัวที่มาสร้างความเศร้าหมองให้กับจิตใจจิตใจที่ถูก อำนาจของความโลภโกรธบังครอบงำจิตใจมักจะเป็นจิตใจที่ไม่มีความสุขเป็นจิตใจที่วุ่นวายจิตใจที่ทุกข์จิตใจที่กังวลจิตใจที่หวาดตัวกับสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงเพราะไม่ได้รับการซักฟอกอย่างสม่ำเสมอ น, นั่นเอง สำหรับจิตใจของผู้ที่ได้รับการซักพอกอย่างสม่ำเสมอจะมีความสุขสดชื่นเบิกบานไม่มีความเศร้าหมองแต่อย่างใดการปฏิบัติตามธรรมตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงเรียกว่าเป็นการซักพอกจิตใจซักพอกด้วยทานคือการให้ สักพอกด้วยศีลคือการไม่กระทําบาปทั้งปวงักพอกด้วยการภาวนาคือการชาระจิตใจให้ความโลภความโกรธความหลงที่ผู้มห่อจิตใจอยู่นั้นให้หลุดลอยหายไปจากใจต้องมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบเช่นในวันพระนี้ ควรจะปฏิบัติกันอย่างน้อยหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเหมือนกับการซักเสื้อผ้าถ้าเราไม่ซักถ้าเราใส่เสื้อผ้าเข้าไปในเครื่องแล้วก็ให้มันทำงานเพียงสองสามนาทีแล้วก็ปิดเครื่องอย่างนี้เสื้อผ้ายังจะไม่สะอาดเราต้องปล่อยให้เครื่องทำงานของเขาไปจนกว่าจะครบเวลา ที่เขาได้กาหนดเอาไว้พอเครื่องนี้ทำงานกาหนดเวลาตามกาหนดเวลาไว้พอซักเสร็จเสื้อผ้าก็จะขาวสะอาดขึ้นมาอันใดการซักพอกจิตใจก็ต้องเป็นแบบเครื่องซักเสื้อผ้าต้องมีระยะเวลาของการซักพอกจิตใจ พระพุทธเจ้าว่าอย่างน้อยต้องหนึ่งวันกับหนึ่งคืนถึงจะได้เห็นผลของความสะอาดที่เกิดจากการซักพอของจิตใจถ้าทำเป็นแค่ครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งมันยังไม่เพียงพอต่อการที่จะทำให้จิตใจสะอาดบริสุทธิคือให้จิตใจสงบ จิตใจผ่องใสขึ้นมาจาเป็นต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาหนึ่งวันกันหนึ่งคืนในวันในวันพระวันพระเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้สาธุชนพุทธบริษัทให้ปล่อยวางภารกิจการงานในการหาลาบยศรสรเริจสุข เพื่อเอาเวลาที่ไปหาราบยศสารเสริญสุขนี้มาให้กับการชำระซัพกพออจิตใจหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเป็นเวลาของวันพระเริ่มตั้งแต่เช้าของวันนี้ประมาณหกโมงเช้าพระอาทิตย์จะขึ้นก็ถือว่าเป็นวันพระเริ่มต้นของวันพระแล้วก็จะไปสิ้นสุดลงในวันพรุ่งนี้ตอนหกโมงเช้า ตอนที่พาทิตขึ้นเรียกว่าหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยี่สิบี่ชั่วโมงแบ่งเป็นสิบสองชั่วโมงกลางวันและสิบสองชั่วโมงกลางคืนให้เอาเวลานี้ทั้งหมดมาให้กับการปฏิบัติตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาของเช้าวันนี้สิ่งที่ต้องปฏิบัติทันทีก็คือสติต้องหมันเจริญสติอยู่เรื่อยๆ ในทุกิเลียบทของการเคลื่อนไหว <preferences S 2> การจะเจริญสตินี้ต้องมีอารมณ์ที่เรียกว่ากรรมฐานเป็นเครื่องกากับใจให้มีสติขึ้นมากรรมฐานนี้ก็มีสี่สิบชนิดด้วยกันมีไว้สำหรับการซักฟอกในระดับต่างๆแต่ในเบื้องต้นนี้ก็ให้ ม่งไปที่การใช้อนุสติสิบชนิดด้วยกันเป็นกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งเช่น mm hmm. ถ้าใช้มีพุทธานุสติ mm hmm. ธรรมานุสติสังคานุสติพุทธานุสติก็ให้เรเลึกถึงพระพุทธเจ้ า, เ, า, เ, าเลาเระลึกด้วยการสวดบทอิติปิสโสก็ได้ ยติปิโภะกาวาอารหังสัมมาสัมพุทธโธสวดไปภายในใจสวดได้ทั้งวันจะเดินจะทำอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็สวดไปหรือถ้ามันยากจะอาแบบย่อ ก, ก็ใช้คำบริกรรมพุทธโธพุทธโธนึกถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพอลืมตาขึ้นมาสิ่งแรกที่เราจะเริ่มก็คือพุทธโธเริ่มต้นชีวิตกับพระพุทธเจ้า น้ำต้นวันใหม่กับพระพุทธเจ้า<ะ>เครื่องซักพอกจิตใจ<ะ>ถ้ามีพุทธโธ อ, อยู่ในใจเวลานั้นกิเลสตัณหามันจะไม่สามารถเข้ามาครอบงาจิตใจได้<ะ>แต่เวลาใดที่เราเผลอขาดพุทธโธเมื่อไหร่<ะ>เวลานั้นความโลภ ค, ความโกรธความหลงก็จะแทรกเข้ามาในใจเราทันทีดั<ะ>งนั้น ถ้าเราถือว่าเรากำลังซักพอกจิตใจของเราในวันนี้เราจะไม่ปล่อยให้กิเลสตัณหามันเข้ามาแทรกแสงภายในจิตใจของเราด้วยการใช้พุทธานุสติคือคำบริกรรมพุทโธถ้าท่านชอบธรรมานุสติชอบพระธรรมคำสอนเป็นอารมณ์ก็เราเลือกถึงสวาขาโตพระกวตาธมโมไป หรือจะบริกรรมคำว่าธรรมโมธรรมโมไปก็ได้ถ้าท่านชอบสังคานุสติทำนึกถึงภาษาของพระพุทธเจ้าก็สวดสุดปฏิปันโนไปหรือสั้นๆก็คือสังโฆสังโฆไปหรือจะเอาทั้งสามองค์คบด้วยกันก็ได้พุทโธธรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆไป อันนี้ก็เป็นวิธีเจริญสติโดยการใช้อนุสติเป็นวิธีที่สำหรับผู้เริ่มต้นในการเจริญสติจะง่ายที่สุดจำรองที่สุดแล้วก็ยังมีอนุสติอย่างอื่นอีกเช่นกายคตาสติอันนี้แปลว่าให้ดูร่างกายเป็นอารมณ์ดูว่าร่างกายกำลังทำอะไรอยู่ ตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาก็ดูอตอนนี้ร่างกายเรากำลังนอนอยู่แล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งก็จะลุกขึ้นมานั่งก็ให้มองว่าตอนนี้ร่างกายกําลังนั่งอยู่กําลังยืนกําลังเดินกําลังไปทําธุระในห้องน้ำอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันแต่งเนื้อแต่งตัวให้มีสติอยู่กับ การกระทําของร่างกายตลอดเวลาเพื่อดึงใจไว้ผูกใจไว้ไม่ให้ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้นเพรเาะถ้าเผลอไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเดี๋ยวกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆมันก็จะโผล่เข้ามาได้อันนี้เป็นการเจริญสติเพื่อกันไม่ให้กิเลสตัณหา เข้ามาในใจมาสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจต่างๆให้กับใจแล้วถ้าเกิดเวลาเรานั่งสมาธิเราก็ใช้อานาปานาสติคือการมีสติลรกร้อยู่กับลมหายใจเข้าออกไม่ต้องไปควบคุม บ, คบังคับลมไม่ต้องบังคับให้หายใจลึกๆหายใจยาวๆ ให้มันหายใจตามธรรมชาติของมันเหมือนในขณะนี้ขณะที่ญาตโยมฟังธรรมนี้ญาตโยมไม่ได้ไปควบคุมบังคับลมหายใจแต่อย่างใดมันจะหายใจลึกหายใจสั้นหายใจหยาบหายใจละเอียดก็ช่างมันไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของเราไปอยู่ที่ให้ดูลมเฉยๆเท่านั้นเองดูว่าตอนนี้ลมกําลังหายใจเข้าหรือหายใจออก จะรู้ได้ด้วยการดูที่ปลายจมูกปลายจมูกนี้ลมมันจะต้องเข้าออกตรงปลายจมูกเราจะรมีความรู้สึกของการสัมผัสของลมกับปลายจมูกได้ถ้าเรามีสติมากพอให้ลมเข้าก็ดูที่ปลายจมูกลมออกก็ดูที่ปลายจมูกไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกลมจะเข้าไปในปอด ก็ไม่ต้องตามเข้าไปลมจะออกมาจากปอดก็ไม่ต้องตามมันออกมาออกจากจมูกไปข้างนอกแล้วก็ไม่ต้องตามออกไปเราต้องการให้ใจอยู่ที่เดียวเพื่อใจจะได้นิ่งได้การทำสมาธิก็ทาเพื่อทำให้ใจนิ่งให้ใจหยุดคิดนั่นเองแต่ถ้าใจดูลมแล้วคิดตามลมไปลมเข้าลึกลมเข้าไปในปอดลมออกมาจากปอด เอาอมาจากจม Ł ูกอย่างนี้เป็นการคิดปรุงแต่งเราไม่ต้องการให้ใจคิดปรุงแต่งต้องการให้ใจรู้เฉยๆสักแต่ว่ารู้รู้ว่าตอนนี้ลมกาลังเข้ารู้ว่าลมกาลังออกถ้าลมหยาบ ก, ก็รู้ว่าลมตอนนี้ยังหยาบอ ย, อยู่ถ้าลมละเอียดก็รู้ว่าลมเริ่มละเอียดแล้ว ถ, ลถ้าลมหายใจ สั้นก็รู้ว่าหายใจสั้นหายใจยาวก็รู้ว่าหายใจยาวไม่ต้องไปบังคับให้ลมสั้นหรือยาวลึกหรือไม่ลึกดูเฉยๆใจเป็นผู้รู้ผู้ดูเราต้องการดึงใจให้ให้ให้เป็นผู้รู้อย่างเดียวไม่ให้เป็นผู้คิดเพราะผู้คิดตอนนี้มีปัญหาผู้คิดนี้ถูกอำนาจของกิเลสตันหาครอบงำอยู่ ถ้าปล่อยให้คิดเมื่อไหร่มันจ ะ, จะคิดไปในทางกิเลส ท, ทันทีคิดไปในทางโลภคิดไปในทางโกรธคิดไปในทางหลงถ้าคิดไปในทางโลภโกรธหลงเมื่อไหร่ความทุกข์ใจร้อนใจก็จะโผล่ขึ้นมา ท, าทันทีถ้ามีสติคอยกันไม่ให้ใจคิดไปทางโลภโกรธหลงใจก็จะเย็ยนใจก็จะสบาย เมื่อใจมีความสบายความสุขใจก็ไม่ต้องไปดิ้นรนหาอะไรมาให้ความสุขกับตนเพราะการดิ้นรนนี้ก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะดิ้นรนไปหาลาบยศสรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสโสดพะพะชนิดต่างๆมาเสดถึงแม้สิ่งเหล่านี้เวลาได้มาจะให้ความสุขก็ตามแต่มันก็สร้างความดิ้นรนให้กับใจ ใ จ, ใจต้องเด่นหล่นใจต้องกังวลกาวายใจต้องวิตกกังวลว่ า, า จ, จะได้หรือไม่ได้เวลาได้มาก็ได้ความสุขเดียวเดียวแล้วความสุขที่ได้เดียวเดียวมันก็หมดไป<ม>แล้วก็ความอยากที่อยากได้สิ่งต่างๆมันก็ยังอยู่ต่อพอมันไม่มีสิ่งที่มันอยากได้มาเสพ สิ่งที่ได้มาเสพมันหมดไปความอยากจะได้มันใหม่ก็ปรากฏขึ้นมาเช่นคนติดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็เป็นในลักษณะแบบนี้คนติดยาเสพติดติดสุรายาเมาติดการเล่นการพนัน <c oughs> ติดการเที่ยวเตยติดการซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อของหรูหรา <c oughs> เครื่องดื่มชนิดต่างๆจะเป็นกาแฟาจะเป็นเครื่องดืง่มชูกําลังหรืออะไรก็ตามสิ่งเหล่านี้เวลาได้เสพมันมันก็จะให้ความสุขชั่วคราวแล้วพอวิ์ของมันหมดไปเพราะว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเรียกว่าอ น, นิจจงให้ความสุขแบบชั่วคราวเอาความสุขที่ได้จากมันหมดไป ความอยากจะเสพมันก็ต้องกลับมามาก็ต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆแล้วถ้าเกิดไม่สามารถไปซื้อมาเสพได้หรือ ม, มีเงินแต่ไม่มีของขายตอนนั้นใจก็จะเกิดความรู้สึกหกรดเหยียดรู้สึกไม่สบายใจรู้สึกทุกข์ใจขึ้นมาทรมานใจขึ้นมานี่คือ จิตใจที่ถูกปล่อยให้อำนาจของความโลภความโกรธความหลงครอบงำจิตใจ mm hmm. ตั้งแต่ตื่นขึ้นมาปั๊บสิ่งแรกที่ทําก็คือกิเลสออกมาทํางานทันที mm hmm. เดี๋ยวอันนี้จะไปทิทำอะไรดีไปหาอะไรดีไปหาเงินที่ไหนดี mm hmm. ไปหาราภยศสารเสญสุขที่ไหนดีอย่างไรดี mm hmm. มันจะคิดแต่เรื่องราวเหล่านี้อยู่ตลอดเวลาอืม เพราะว่าไม่มีอะไรมาคอยสกัดมาคอยหยุดกันนั่นเไม่มีสติสิ่งที่จะมาคอยหยุดกิเลสตัณหาได้ก็คือสติสตินี้ไม่ได้ไปกาจัดกิเลสตัณหาเพียงแต่ไปขวางมันไปหยุดเครื่องมือของกิเลสตัณหาไม่ทำงานเครื่องมือที่กิเลสใช้ทำงาน ใช้เพื่อไปหาลาภยศทรัพย์สนุกต่างๆก็คือความคิดปรุงแต่งนี่สังขารความคิดปรุงแต่งที่พอลืมตาขึ้นมาก็เริ่มคิดทันทีคิดว่าวันนี้วันอะไรจะไปทําอะไรวันนี้วันทํางานหรือเปล่าหรือวันนี้เรื่องวันพระสําหรับคนที่ไม่รู้จักวันพระก็จะไม่รู้ว่าวันนี้วันพระจะเลื่อนซ้ำไปจะรู้ว่าอ๋อวันนี้ต้องไปทํางานไปหาเงินหาทอง มันจะมันจะไปตามความคิดทันทีแต่สำหรับคนที่มีมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจรู้จักว่าวันนี้เป็นวันอะไรก็จะรู้ว่าออวันนี้วันวันพระวันที่เราต้องชำระซักพอกจิตใจของเราให้สะอาดด้วยการเจริญสติพอรู้ปั๊บว่าวันนี้เป็นวันพระต้องเจริญสติก็เริ่มเจริญเลย เคยใช้อะไรเป็นวิธีเจริญสติก็ใช้อย่างนั้นไปถ้าใช้พุท ธ, ธานุสติก็พุโทโธพุธโทโธไปหรือสวดอิติปิโสไปถ้าใช้กา ย, ยากตาสติก็คอยดูว่าตอนนี้ร่างกายกําลังอยู่ในเอเรียบทใดกําลังทําอะไรอยู่กําลังนอนพอลืมตาเวลานอนลืมตาขึ้นมาเสียงหน้าก็จะเห็วนว่าร่างกายนอนอยู่ ก็ให้ดูอยู่เพราะร่างกายขยับเปลี่ย น, นอเรียบทจากนอนมาขึ้นมาเป็นท่านั่งก็ต้องรู้ตลอดเวลาในขณะที่มีการเปลี่ยนเอเรียบทอตอนนี้ร่างกายเรากําลังจากที่นอนกําลังลุกขึ้นมามายืนมานั่งแล้วจากนั่นก็จะยืนขึ้นมาอยากยืนขึ้นมาก็จะเดินเดินไปทํทาธุระในห้องน้ําต่อไป เต้องให้มีสติเข้าดูอยู่ทุกเรืยอบุตถ้าเราใช้กายคตาสติคือร่างกายเป็นอารมณ์ของการเจริญสติเอาใช้ร่างกายมาผูกใจไว้ใจนี่เป็นเรือเหมือนเรือที่ลอยอยู่ในน้ำเว <S S 1> ลาที่เราจะจอดให้เรืออยู่นิ่งๆเฉยๆเราต้องมีสมองเรือถ้าสมองเรือปั๊บเนี่ยสมอมันก็จะเลือนเรือไว้ไม่ให้ลอยไปกับกระแสน้า หรือถ้าไม่มีสมอเรือเราไปจอดเทียบท่าเรือเราก็เอาเชือกผูกกับท่าเรือไว้ผูกเรือไว้กับท่าเรือเรือก็จะไม่ลอยไปไหนไม่ลอยไปตามกระแสน้ำฉันใดสติก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนเชือกที่จะผูกเรือผูกใจไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดปรุงแต่งต่างๆใจก็ต้องมีที่ผูก ผูกใจไว้ที่ผูกใจนี่เราเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานสี่สิบอารมณ์สี่สิบชนิดที่เป็นเครื่องมือในการดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปตามกระแสของความคิดของกิเลสตัณหาความโลภความอยากทั้งหลายถ้ามีกรรมฐานแล้วกิเลสมันก็จะทํางานไม่ได้ถ้าใจเราอยู่กับร่างกายเฝ้าดูอยู่ตลอดเวลามันจะไปคิดถึง คนนั้นคนนี้คิดถึงสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ได้ uh huh. นี่คือ uh huh. การจเจริญสติเป็นงานที่ต้องทำตลอดระยะเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับสำหรับผู้ที่ต้องการจะซักพอกจิตใจให้ได้ผลดีให้มีประสิทธิภาพ uh huh. จำเป็นจะต้องทำตาม uh huh. ทำตามาข้อบ่งใช้ เหมือนกับเครื่องซักผ้าเขาก็มีข้อบ่งใช้บอกให้ผู้ใช้รู้จักใช้ว่าจะต้องซักนานซักเท่าไหร่เสื้อผ้าที่เข้าไปซักในเครื่องถึงจะสะอาดไม่ใช่เอาใส่เข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาออกมาเลยอย่างนี้ไม่มีวันที่จะสะอาดได้ถ้าเครื่องยังไม่ได้ทำงานเลยเองแต่เปิดชารเครื่องเอาเสื้อผ้าใส่เข้าไปปิดฝาเครื่องป๊บเปิดขึ้นมาใหม่ดึงมันออกมาเลย อย่างนี้เสื้อผ้ายังไม่ทันได้ซักพอกเลยจะซ่าได้อย่างไรใจเราก็เหมือนกันถ้าฝึกสติเพ่แค่สองสามวินาทีหรือนาทีหนึ่งแล้วก็พอละบางคนตื่นมาก็สวดมนต์ท่หน่อยก่อนอวสวดสวดมนต์สักห้านาทีหรือบางทีอาจจะนั่งสมาธิต่ออีกสิบห้านาทีอค่นี้บอกพอละ ว, วันนี้สำหรับการเจริญสติ อันนี้ไม่พอที่จะทำให้เกิดผลขึ้นมาถ้าต้องการให้ใจสงบต้องทำทั้งวันทั้งคืนต้องทำหลายๆรอบหลายๆครั้งในการนั่งสมาธินั่งรอบแรกแล้วยังไม่ค่อยสงบเดี๋ยวก็ารทนนั่งต่อไปไม่ได้เพราะกำลังของสติสู้กำลังของกิเลสตันหาความอยากที่จะดึงน่่งกายให้ไปทำอะไรต่างๆ ก็ต้องออกมาจากสมาธิชั่วข่าวหยุดการทาสมาธิชั่วขาวแล้วก็มาเปลี่ยนอิรียบทในการพาร่างกายไปเดินจงกรมแทนเดินจงกรมนื้อถ้ามีกิจอะไรที่ยังต้องทําต่อก็ไปทํากิจอย่างนั้นต่อแต่ต้องทําด้วยการมีสติอยู่ทุกอิเลียบ ท, ทุกการเคลื่อนไหวให้ใจคาเป้าดูอยู่กับร่างกายตลอดเวลา ถ้าใช้ร่างกายเป็นเครื่องผูกใจเอาไว้แต่ถ้าเราใช้คำบริกรรมพุทโธเราก็พุทโธไปตลอดเวลาพุทโธนี้เราอาจจะสามารถใช้สลับกับการเฝ้าดูร่างกายได้บางทีเราพุทโธแล้วเรารู้สึกจะเหนื่อยรู้สึกจ ะ, ะไม่อยากจะพุทโธเราก็เปลี่ยนมาดูร่างกายก็ได้หรือถ้าเราสังเกตดูว่าใจเราไม่ได้คิดอะไรแล้วเราก็หยุดพุทโธได้ ถ้าเราใช้พุทโธในขณะที่เรากําลังเคลื่อนไหวกําลังทำอะไรต่างๆอันนี้ถ้าเราสามารถจเจริญสติอย่างนี้ได้ทั้งวันทั้งคืนช่วงที่เวลาเรานั่งสมาธินี้จิตจะไม่คิดปรุงแต่งคิดยากจิตจะเข้าสู่ความสงบง่ายจิตจะรวมง่ายจิตจะดิ่งเข้าสู่ความสงบเต็มที่ได้เป็นคานิกะสมาธิหรือเป็นอปปนาสมาธิขึ้นมาได้ อานิกาสมาธิก็คือจิตรวมเชื่อขณะหนึ่งหรือที่เรียกว่างูแลบหรือฝ่ยฟ้าแลบรวมแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาแต่ลถแห่งธรรมที่ชนะลถทั้งปวงนี้มันจะเป็นที่ประทับใจเป็นอย่างยิ่งเพราะความสงบนี้แหละที่พระเจ้าทรงตรัสว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวง เป็นความสุขที่ไม่มีความสุขใดที่จะสามารถมาเทียบเท่าได้นัตติสันติพลังสุขขังสุขอื่นที่เหนือกว่าความสงบไม่มีถ้าต้องการความสุขที่สูงสุดที่เลิศที่สุดต้องไปที่ความสงบของใจเพียงอย่างเดียวถ้าไปหาทรัพย์สมบัติข้าวของเงินทองต่อให้หามาได้เป็นร้อยล้านพันล้านหรือหมื่นล้านก็ตาม ความสุขที่ได้จากเงินทองนี้มันเมื่อมาเปรียบเทียบกับความสุขที่ได้จากความสงบแล้วมันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเหมือนก้อนเพชรกับก้อนดินอย่างนี้ก้อนเพชรนี้มีคุณค่าราคามากมายยิ่งกว่าก้อนดินฉันัดความสุขที่ได้จากความสงบก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขจากของรากศศรสสารเสริญ ของคลกเสียงกิรลดโพธพภะ mm hmm. ถึงแม้จะได้สัมผัสเพียงเพื่อแค่แค่วับเดียวแค่งูแลบยิ้ก็ตามแต่มันจะทำให้เกิดความประทับใจเกิดทำให้มีความผูกใจให้มีความยินดีต่อความสุขแบบนี้ถ้าหลังจากได้สัมผัสกับความสุขแบบอานิกาสมาธิแล้วก็ yeah. จิตก <Yeah>. um. so ็จะไม่อยากจะไปหาความสุขแบบอื่นต่อไปเพราะลดของธรรมนี่มันชนะรดทั้งปวงเหมือนกับเราไปกินอาหารร้านที่มันอร่อยอร่อยกว่าทุกร้านที่เราเคยไปกินมาพอได้กินอาหารที่อร่ออร่อยเหนือกว่าอาหารของร้านอื่นแล้วเราก็จะไม่ไปร้านอื่นแล้วเราก็จะไปกินที่ร้านนี้แหะเพราะมันอร่อยอร่อยที่สุดอร่อยอล่อยเหนือกว่า ความมาเละอร่อยของร้านทั้งหลายที่เคยไปกินมานี่แหละคือรถแห่งธรรมที่จะปรากฏขึ้นมาถ้าเราให้เวลากับการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องไม่ขาดตอนท้าตลอดทั้งหนึ่งวันกับหนึ่งคืนยกเว้นเวลาหลับเราประกันได้ว่าจะต้องได้สัมผัสกับรถแห่งธรรมนี้อย่างแน่นอนไม่ช้าก็เร็วถ้าสติเป็นสัมปะชัญญะขึ้นมาแล้ว สติฉับสัมปะชัญญะหมายถึงสติตะสติที่ต่อเนื่องสติที่ไม่ขาดตอนสติที่ไม่เผลอรู้อยู่ตลอดเวลาสักแต่ว่ารู้รู้อยู่กับพุทโธ ร, รู้รู้อยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายเวลานั่งก็สามารถเลือกเอาสติแบบไหนเป็นอารมณ์ก็ได้จะใช้อนาปนานสติก็ได้ดูการเข้าออกของลมหายใจเข้าออก หรือจะใช้พุทธานุสติก็ได้บริกรรมพุทธโธพุทธโธพุทธโธไปไม่จาเป็นจะต้องใช้ทั้งสองอย่างพร้อมๆกันไม่ต้องพุทธเข้าโรออกแต่ถ้าอยากจะใช้สองอย่างไปด้วยกันก็ได้เหมือนกันแต่เราคิดว่ามันไม่จาเป็นสู้เอาอย่างใดอย่างหนึ่งมันจะดีกว่าเพราะเราต้องการให้จิตรวมจิตเป็นหนึ่งถ้าเราพุทเข้าโธออกนีมันยังเป็นสองอยู่ ถ้าอยากจะให้มันเป็นหนึ่งต้องพุทโธอย่างเดียวหรือดูลมหายใจเข้าออกเพ่งอย่างเดียว อ, อย่าไปผูกพุทโธไว้กับลมหายใจเข้าออกอถ้าเราสามารถเวลานั่งสมาธินี้อยู่กับพุทโธพุทโ ธ, พ, ทโธพุทโธไปไม่คิดคิดถึงเรื่องอะไรห้านาทาีสิบนาทีบุนจิตต้องรวมนั่งอย่างแน่นอนเวลาใช้พุทโธเวลารวมมันจะรวมแบบตกลุมตกบ่อ ตกลงมาจากที่สูงแกแล้วอย่าไปคาดเวลาที่เรานั่งเวลาที่เราใช้พุทธโธอย่าไปคิดว่าเมื่อไหร่มันจะลงเมื่อไหร่มันจะรวมเมื่อไหร่มันจะตกลมตกบ่อถ้านั่งแบบนี้แล้วมันจะไม่ลงไม่อย่าไปคิดถึงอะไรเลยให้คิดอยู่กับคาบริกรรมพุทธโธเพียงอย่างเดียว<ม>ถ้าดูลมหายใจเข้าออกมันก็จะลงเป็นขั้นขั้นเป็นขั้นบันไดส<ม>างกบกึกลงไปหน่อย แล้วเดี๋ยวอีกสักพักก็สงบอีกกึศหนึ่งลงเข้าไปจนในที่สุดมันก็จะสงบแบบนิ่งไปเลยพอเวลาจิตนิ่งแล้วพุทโธก็ไม่จําเป็นพุทโธก็หยุดไปทันทีด้วยการดูลมหายใจก็หยุดไปทันทีเพราะว่าลมหายใจหรือร่างกายมันอาจจะหายไปจากความรับรู้ของใจแล้วตอนนั้นใจก็จะเข้าสู่อาวากาศของใจเข้าสู่ความว่างของใจ นี่แหละคือสมาธิที่ถูกต้องสัมมาสมาธิไม่ใช่ไม่ใช่เป็นสมาธิแบบรู้นู่นเห็นนี่เห็นเปรเห็นเห็นอะไรต่างๆเห็นเทวดาเห็นสวรรค์เห็นนรกเห็นนบายอันนี้ไม่ใช่เป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิต้องเห็นแต่ความว่างเห็นแต่ความสงบนิ่งของใจ แล้วก็เกิดความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงที่ที่มากับอุเบกขาอุเบกขาก็คือความรักความปัสจากความรักชังกลัวหลงจิตจะรู้สึกเฉยเฉยละไม่ยินดียินร้ายกับอะไรถ้ายังได้ยังรู้เรื่องของร่างกายอยู่ถึงแม้ร่างกายจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้จิตก็จะรู้สึกเฉยเฉย ไม่รู้สึกมีอาการหวั่นไหวไปกับความรู้สึกเจ็บปวดของร่างกายแต่อย่างใดสามารถอยู่กับความเจ็บปวดของร่างกายได้อย่างสบายถ้าจิตรวมเป็นสมาธิแล้วอันนี้แหละเป็นยารักษาโรคที่ดีที่สุดเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ปวยแล้วเกิดความเจ็บปวดใช้ธรรมะโอสถ<ม>พร้อมๆกับใช้ ย, ยาที่หมอ ม, มอบให้มา ยาที่หมอให้มาก็กินเพื่อรักษาร่างกายแต่ถ้าอาการยังไม่หายเช่นอาการไข้ยังไม่หายเราก็สามารถใช้ธรรมโอสถมาระงับไม่ให้ใจเราไปทุกข์กับอาการเจ็บไข้ของร่างกายได้อาการเจ็บไข้อยู่ต่อไปแต่อาการทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยนี้มันจะหายไปเพราะว่าใจจะสงบ ใจสงบแล้วใจก็จะเย็นจะรู้สึกเฉยเฉยจะเป็นอุเบกขาขึ้นมา mm. ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่กลัวความเจ็บไม่เกลียดความเจ็บไม่มีความอยากให้ความเจ็บหายไปแต่อย่างใดความเจ็บจะตั้งอยู่ก็ปล่อยมันตั้งไป mm. อยู่ไป mm. เราไม่ได้เป็นความเจ็บแ mm. ยกความเจ็บเนี่ยออกจากใจแยกความเจ็บออกจากร่างกาย mm. ทั้งสามอย่างนี้เป็นสภาวะธรรม ล้วนๆร่างกายก็เป็นเพียงดินน้ำลมไฟเป็นทุกกตาตัวหนึ่งความเจ็บก็เป็นความรู้สึกเป็นสภาวะธรรมอีกอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่เป็นร่างกายเป็นเวทนาใจผู้รู้ก็เป็นธาตุรู้เป็นอีกอย่างหนึ่งทั้งสามอย่างนี้ไม่ได้เป็นตัวเดียวกันเป็นคนเดียวกันแต่ถ้าไม่ได้ปฏิบัติแยกกายแยกใจแยกเวทนา ด้วยการเจริญสตินั่งสมาธินะใจจะไปหลงที่ว่าใจเป็นร่างกายใจเป็นเวทนาขึ้นมาทันทีน<ม>ะพอเกิดเวทนาขึ้นมาใจก็คิดว่าใจเป็นใจเป็ น, เ ป, นเป็นทุกเวทนาขึ้นมามแต่ความจริงนะ้ะทุกขเวทนาไม่ใช่ใจทุกขเวทนาเป็นความรู้สึก<ม>ใจเป็นผู้รู้ผู้ผู้รับรู้ เราต้องดึงใจให้กลับมาทําหน้าที่ของใจคือให้เพียงแต่รู้ให้รับรู้ว่าตอนนี้เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาแล้วทุกขเวทนานี้ก็ไม่ใช่ร่างกายร่างกายกับทุกขเวทนาก็เป็นคนละส่วนกันแต่มาจากมาจากร่างกายเป็นสาเหตุเช่นาการเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายก็ทําให้เกิดอาการเจ็บไข้เกิดอาการปวดขึ้นมาตามร่างกาย แต่ร่างกายมันก็ไม่รู้ว่ามันปวดไม่รู้ว่ามันเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายไม่เดือดร้อนก็นกับทุกขเวทนาแต่อย่างไดแต่ใจนี้กลับไปเดือดร้อนแทนร่างกายเพราใจไปคิดว่าตอนอย่งเป็นร่างกายนั่นเองก็เลยลทําให้เกิดความความทุกเวลาที่ร่างกายเกิดการเจ็บไข้ได้ปด่วยเขาคิดว่าใจคิดว่าตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยไปกับร่างกาย เวลาเราฝึกสมาธินี่เราจะเห็นชัดเลยว่าทั้งสามส่วนนี้เป็นคนละส่วนกันแยกกันอย่างชัดเจนเหมือนกับคนสามคนอยู่ในที่เดียวกันแต่ทําหน้าที่ต่างกันร่างกายก็ทําหน้าที่ของร่างกายเ<ม>วทนาก็ทําหน้าที่ของเวทนาใจก็ทําหน้าที่ของใจต่างคนต่างทําหน้าที่กันถ้าไม่เข้ามาเกี่ยว ไม่เข้ามาผูกกันแล้วมันก็จะแยกกันใจก็เฉยๆกับอุเบกขาอยู่เฉยๆกับอุเบกขาเวทนามันก็แสดงไปตามอาการที่มันต้องแสดงของมันไปร่างกายมันก็อยู่ของมันไปตามถ้ามันยังมีลมหายใจอยู่มันก็ยังอยู่ต่อไปไม่มีอะไรที่จะต้องน่ากลัวน่าทุกข์กับองไรถ้าเราสามารถเจริญสติทำใจให้นิ่งสงบได้ ใจจะอยู่เฉยๆได้เป็นดูเบกขาใจจะไม่ทุกข์กับความเป็นความตายของร่างกายจะไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายเพราะใจไม่ได้เป็นร่างกายเวทนาจะสุขจะทุกข์หรือไม่สุขไม่ทุกข์ใจก็ไม่เดือดร้อนกับมันใจก็ปล่อยมันสุขไปทุกข์ไปไม่สุขไม่ทุกข์ไปเพราะมันเป็นธรรมชาติที่ห้ามมันไม่ได้สั่งมันไม่ได้ สั่งให้มันไม่เจ็บก็ไม่ได้เวลามันจะเจ็บสั่งให้มันสุขก็ไม่ได้เวลามันไม่สุขก็ต้องอยู่กับมันไปเท่านั้นเองการที่เราจะอยู่ได้ก็เพราะอำนาจของสตินี่เป็นหลักถ้ามีสติแล้วใจเราก็จะนิ่งเฉยได้มไม่เดือดร้อนกับร่างกายร่างกายจะเป็นจะตายก็ไม่เดือดร้อน เมตนาจะสุขจะทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ไม่เดือดร้อนเขารู้ว่าเขาเป็นอ น, นิจจังอ น, นัตตาอ น, นิจจังก็คือเขาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอ น, นัตตาก็คือเขาเป็นธรรมชาติเ ป, เป็นเหมือนดินฟ้าอากาศนนดินฟ้าอากาศนี่ก็เป็นเหมือนธรรมชาติไมไม่ได้เป็นตัวตนไม่มีใครมาสั่งให้ท่าน ธรรมชาติเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่มีใครสั่งให้ฝนตกไม่มีใครสั่งให้แดดออกไม่มีใครสั่งให้ฟ้าร้องไม่มีใครสั่งให้ฟ้ารบมันเป็นเรื่องของปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอันใดร่างกายก็เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างหนึ่งเกิดจากการรวมตัวของธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟพอมันมารวมตัวกันมันก็มาม า, มาแปลงเป็นอาการสาวสบสองท่านเอง ผมขอนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกนี่พวกนี้ก็เป็นธาตุดินเป็นส่วนใหญ่ของที่เป็นของแข็งเราเรียกว่าธาตุดินแล้วก็ของที่เป็นของเหลวน้ำชนิดต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายน้ำเลือดน้ำเหลืองน้าทะเลน้ำดีน้าเหมือน้ามันข้นน้าตาน้ำมันเหลวน้าลายน้ามูกนอันนี้ก็เรียกว่าเป็นธาตุน้ำ ลมที่เข้าในทางจมูกเข้าไปในปอดแล้วก็ออกมาจากปอดเอาอไปทางจมูกอันนี้ก็คือธานลมลมต้องเข้าต้องเอาลมใหม่เข้าไปเปลี่ยนลมเก่าเพราะลมเก่าในร่างกายมันเป็นพิษเพราะว่ามันเอาไปใช้ใช้ปรุงแต่งกับธาตุดินธาตุน้ำํำธาตุลมเพื่อไปเสริมอวัยวะต่างๆทําให้ผมยาวขึ้นทําให้เล็บยาวขึ้นทําให้ อวัยยะวตต่างๆแข็งแรงทางานหน้าทำหน้าที่ของเขาได้ถ้าขาดธาตุทั้งสี่เข้าไปในร่างกายเมื่อไหร่ร่างกายก็จะเริ่มซุดขึ้นมา ท, ทันทีขาดน้ำขาดอาหารนี่ขาดได้นานที่สุดขาดธาตุดินนี้ขาดได้หลายวั น, นอดอาหารพระพุทธเจ้าเคยอดถึงสี่สิบก้าวันขาดธาตุดินยังอยู่ได้ร่างกายยังอยู่ได้ แต่ขาดธทาตุน้ํานี่ไม่เกินเจ็ดวันก็คงจะตายร่างกายมันก็จะเผือดแห้งไปถ้าไม่มีไม่มีน้ําเลือดอะไรต่างมันก็จะแข็งตัวไปหมดเมื่อเลือดเป็นไม่ไหลเวียนร่างกายก็ต้องตายข <chi> าด้าขาดธาตุลมยิ่งไ ม, ไม่ไม่กี่ไม่กี่นาทีก็ตายเพราะว่าของเหล่านี้มันเป็นตัวที่ไปพยุงให้ร่างกายนี้ทํางานทําหน้าที่ของมันได้ ให้อวัยวะต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายนี้ทําหน้าที่ของมันทําให้ร่างกายนี้ยังสามารถเคลื่อนไหวทําอะไรต่างๆได้เพราะเป็นการเป็นการทํางานของธาตุทั้งสี่นะี้ใช่ธาตุสริรวมเข้าไปในร่างกายธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟรวมกันเข้าไปแล้วมันก็ทําให้ร่างกายอวัยวะต่างๆทํางานป อ, อดตับตายหัวใจก็ทํางานลาไส้ก็ทําทงาน แล้วก็เจริญเติบโตด้วยตอนต้นเป็นแค่ตัวนิดเดียวอยู่ในท้องแม่พอมาจากท้องแม่เราก็เติมธาตุดินธาตุน้ําธาตุลมธาตุไฟเข้าไปธาตุลมก็เข้าทางจมูกธาตุน้ํำก็เข้าทางปากธาตุดินก็เข้าทางปากคือดินก็คือพวกอาหารต่างๆของแข็งต่างๆที่เราเคี้ยวกลืนเข้าไปนี้ก็เป็นธาตุดินธาตุไฟก็คือความร้อนที่เราได้รับจากจากแสงอาทิตย์เนีย และได้รับจากการทางานของการผสมของธาตุทั้งสี่เวลาธาตุาทั้งสามทั้งสี่มารวมตัวกันมันก็จะเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกทางเคมีมันก็จะทาให้เกิดความร้อนขึ้นมาได้เวลาเดินงานน้ำกับลมมาผสมกันก็จะทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาเป็นธาตุที่ส<ฤ>ี<ฤ>่ถ้าตราบใดยังมีการเข้าออกของธาตุทั้งสี่อยู่ร่างกายก็ยังจะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ แต่พอเวลาใดที่ธาตุลมหยุดเข้ามาในร่างกายเมื่อไหร่เวลานั้นร่างกายก็หยุดทํางานทันทีพอไม่มีลมหายใจปั๊บก็เรียกว่าตายพอธาตุลมไม่มีเข้ามันก็จะเหลือเหลือแต่ธาตุธาตุลมที่อยู่ในในปอดมันก็จะค่อยๆระเหยออกมาแล้วก็ตามด้วยธาตุน้ำธาตุน้ําที่มันมีอยู่ในร่างกายมันก็จะออกมาตามทวารตา่างๆแล้ว ธาตุไฟก็ตามธาตุลมไปธาตุลมก่อนแล้วก็ธาตุไฟร่างกายของคนตายนี้ไม่ไม่อบไม่อุ่นเหมือนกับร่างกายของคนเป็นเราอเอาคนเป็นเอามือไปแตะร่างกายของคนตายจะรู้ว่ามันอุณหภูมิไม่เท่ากันร่างกายของคนเป็นนี่ยังร้อนกว่าร่างกายของคนตายเพราะธาตุไฟในร่างกายของคนตายมันมันออกไปแล้วมันหมดไปแล้ว แต่ธาตุไฟของคนเป็นยังมีอยู่ยังมีการเสริมมีการสร้างกันอยู่เรื่อยๆมีการเอาธาตุลมเข้าธาตุน้ําเข้าธาตุดินเข้าอยู่เรื่อยธาตุไฟก็ยังมีอยู่อันนี้ก็คือเรื่อของร่างกายเป็นธรรมชาติของร่างกายธาตุลมออกไปธาตุน้ําออกไปในที่สุดก็เหลือแต่ธาตุดินธาตุดินที่อวัยวะต่างๆที่เคย เป็นของนุ่มของอะไรก็กลายเป็นของแห้งไปหมด ส, สังเกตยูซากศพที่ทิ้งไว้เป็นปีนี่หนังก็จะแห้งกรอบขึ้นมาอาวะวายว่าต่างๆที่มีในร่างกายก็จะแห้งกรอบขึ้นแล้วถ้าทิ้งไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะผุพังไปกลายเป็นดินไปนี่ละคือเรื่องของร่างกายที่เราจะต้องศึกษา การพิจารณาอย่างนี้ก็เรยเป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งกรรมฐานสสอาการสามสิบสองของร่างกายธาตุสี่ของร่างกายนี่ก็เป็นวิปัสสนากรรมฐานอันนี้เป็นอารมณ์เพื่อให้เกิดปัญญาให้เกิดความรู้ความรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจริงของร่างกายว่าเป็นอะไรกันหน้าว่าเป็นตัวเราของเราหรือเปล่าว่าเป็นว่าเป็นชื่อนั้นชื่อนี้หรือเปล่าเป็นหญิงเป็นชายหรือเปล่า ของเล่านี้มันเป็นของสมมุติเป็นของชั่วคราวของแท้จริงก็คือเป็นดินน้ำนมไฟมาจากดินน้ำนมไฟแล้วก็กลับคืนสู่ดินน้ำนมไฟใจที่เข้ามาครอบครองร่างกายนี้ก็ครอบครองได้ชั่วคราวพอร่างกายหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ไม่สามารถใช้ร่างกายให้ไปทำลายได้ต่อไปถ้าใจรู้ใจก็จะได้ปล่อยวาง อย่าไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือในการทําอะไรต่างๆเพราะเวลาถ้าต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือไปหาลาบยศสรรเสริญไปหาความสุขจากรืษษษษษษษษ่เสียงกลิ่นรสผดผ้าพอเวลาใดที่ร่างกายไม่สามารถทําหน้าที่นี้ได้ใจจะหาความสุขจากอะไรใจก็จะเครียดใจก็จะทุกข์ใจก็จะเศร้าคนานี้เกิดอาการซึมเศร้าก็เพราะว่าไม่สามารถใช้ร่างกายพาไป หาความสุขต่างๆได้ต้องนอนเตดเตียงบ้างต้องนั่งอยู่ในวีลแชร์บ้างไปไหนมาไหนก็ต้องอาศัยคนอื่นพาไปตัวเองทำอะไรเองไม่ได้เลยใจก็เลยไม่มีความสุขเพราะไม่มีความสุขใจก็ทุกข์ใจก็เศร้าเศร้าไปนานๆนก็จะเป็นอาการซึมเศร้าขึ้นมาได้นี่คือลักษณะของใจ ที่ไปใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขไม่ใหไม่มาหาความสุขด้วยการชําระใจให้สะอาดบริสุด ต, ตามที่พระเจ้าทรงสั่งสอน mm. ถ้าใจมาฝึกสตินั่งสมาธิทําใจให้สงบได้ mm. ใจก็จะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ mm. ไม่ต้องใช้ร่างกายพาไปเที่ยวไปกินไปดื่นไปดูไปฟังอะไรต่างๆ mm. นอนติดเตียงก็มีความสุขได้สบายถ้าทำสมาธิเป็นแล้วสามารถทำได้ในทุกเอเรียบทจะยืนก็ทำได้จะนั่งก็ทำได้จะเดินก็ทำได้จะนอนก็ทำได้เพราะการทำสมาธิไม่ได้ทําที่ร่างกายไม่ได้ทาด้วยร่างกายแต่ทำด้วยสติถ้าฝึกสติจนเป็นสัมปชัญญะแล้วนี่เราสามารถทำใจให้สงบได้ในทั้งทั้งสี่เอเรียบท เดินก็สงบนั่งก็สงบยืนก็สงบใจที่สงบก็มีความสุขไม่ต้องมีเงินมีทองก็มีความสุขไม่ต้องมียศมีตําแหน่งก็มีความสุขไม่ต้องมีคนให้หลังวิหลังวันก็มีความสุขไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นลดมาให้เสกก็มีความสุขได้เพราะใจมีความสงบที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมตามคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้านี่เอง น, นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นมาจากการปฏิบัติเบื้องต้นก็จะทำให้ใจสงบก่อนพอใจสงบแล้วก็จะเกิดก็จะสามารถใช้ความสงบนี้ศึกษาความจริงของร่างกายความจริงของเวทนาความรู้สึกความจริงของใจได้ว่าเป็นคนละส่วนกันเป็นคนละอาการกั น, นเป็นคนนี่เป็นคนสามคนมามาม า, มาประชุมกัน ร่างกายก็เป็นคนหนึ่งเวทนาความรู้สึกก็เป็นอีกคนหนึ่ง<ม>ใจผู้รู้ก็เป็นอีกคนหนึ่งมาประชุมกัน<ม>แต่ถ้าเราไม่ภาวนาเราไม่นั่งสมาธิไม่ทำใจให้สงบนี้เราจะไม่สามารถแยกองค์ประชุมนี้ออกจากกันสามองมมเราก็จะคิดว่าเป็นองค์เดียวกันเราก็จะคิดว่าร่างกายเป็นเราเวทนาเป็นเราใจเป็นเราเราทั้งหมด ทั้งทั้งที่ไม่มีเราอยู่ในองค์ ท, ทั้งสามนี้เลยแต่เกิดจากความหลงของใจเกิดจากโมหะอวิชชาที่มาหลอกให้ใจไปคิดว่ามีตัวตนในทั้งสามนี้มีเราอยู่ในทั้งสามนี้มีเราอยู่ในร่างกายมีเราอยู่ในเวทนามีเราอยู่ในใจผู้รู้ความจริงไม่มีเราอยู่เลยนี้แต่อาการมีแต่ปรากฏการทั้งสภาวะธรรมทางธรรมชาติ ร่างกายก็เป็นปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งใจก็เวทนาก็เป็นปรากฏการการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งใจก็เป็นปรากฏการทางธรรมชาติอย่างหนึ่งใจก็คือธาตุรู้ร่างกายก็คือธาตุสี่ธาตุดินธาตุดินธาตน้ำธาตุลมาธาตุไฟเวทนาก็เป็นสภาวะธรรมที่มีอาการรู้สึกสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เป็นตัวเป็นตัว ตัวแสดงแต่มันก็เป็นของที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปไปยึดไปติดมันก็จะทุกเวลามันดับไปถ้าไปติดกับสุขขเวทนาเวลาสุขขเวทนาหายไปก็จะเกิดอาการเศร้าขึ้นมาไปลังเกียจทุกขเวทนาเวลากิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็จะก็จะเล่นก็จะทรมานใจก็จะอยากให้ความทุกขเวทนานี้หายไปพอไม่หายก็ยิ่งทุกยิ่งเครียดใหญ่ พอไม่รู้จักทําใจแยกแยกใจออกจากร่างกายแยกใจออกจากเวทนาสิ่งที่จะมาแยกใจแยกกายออกจากเวทนาในขั้นต้นก็คือสติใช้สติใช้ทั้งกรรมฐานใช้พุทธานุสติใช้ใช้กา ย, ยา ก, กตาสติใช้อนาปนานสติเนี่เป็นตัวที่มาแยกร่างกาย แยกเวทนาแยกใจออกจากกันนะกันไม่ให้ไม่ให้รวมตัวกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแต่ถ้าเราไม่ทำเราไม่ภาวนาไม่เจริญสติไม่นั่งสมาธินี้เราจะไม่เห็นว่ามันมีสามส่วนด้วยกันในตัวเรานี่มีร่างกายส่วนหนึ่งมีเวทนาส่วนหนึ่งแล้วก็มีใจผู้รู้อีกส่วนหนึ่งตัวที่สำคัญที่สุดก็คือใจผู้รู้นี่ เอาใจผู้รู้นี่แหละเป็นตัวที่จะสุขหรือจะทุกข์จากการที่รู้หรือไม่รู้ถ้ารู้ใจก็จะสุขใจก็จะปล่อยวางใจก็จะปล่อยวางร่างกายเมื่อรู้ว่าร่างกายไม่ใช่ตนไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวเราของเราไม่ใช่ใจใจก็จะปล่อยวางร่างกายปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเวทนามันก็ไม่มีตัวตนเหมือนกันเหมือนก็ใจรู้ว่าไม่ตนเองไม่ใช่เป็นเวทนา ก็ปล่อยให้เวทนามันเป็นไปตามเรื่องของมันตามธรรมชาติมันจะสุขก็ปล่อยมันสุขไปมันจะทุกข์ก็ปล่อยมันทุกข์ไปมันจะไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องปล่อยมันไปเพราะเราไปทําอะไรไม่ได้เวลามันสุขเนี่ยเราจะบอกให้มันหายไปก็ไม่ได้จะบอกให้มันอยู่ไปตลอดก็ไม่ได้เพราะมันเป็นอนิจจังไม่เที่ยมมันเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วเดี๋ยวมันก็ดับไปเวทนาสามตัวนี้มันสลับกันทําหน้าที่มันต้องมีตัวใดตัวหนึ่งทําหน้าที่ ตลอดทั้งวันทั้งคืนถ้าไม่สุขก็ทุกข์ถ้าไม่สุขไม่ทุกข์ก็ต้องไม่สุขไม่ทุกข์มันวนเวียนไปแล้วก็มีเหตุมีปัจจัยที่ทําให้มันสุขทําให้มันทุกข์เช่นไปเห็นไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่ถูกใจที่สบายใจก็เกิดสุขขเวทนาขึ้นมาถ้าไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสผลพระที่ไม่ถูกใจที่ไม่สบายใจก็เกิดทุก ข, ข์เวทนาขึ้นมา เราก็ควบคุมบังทับไม่ได้รูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนี้เราต้องเจอทั้งทุกรูปแบบมีทั้งสุขมีทั้งทุกมีทั้งไม่สุขไม่ทุกเห็นรูปที่ทําให้เราสุขก็เกิดสุขกเวทนาเห็นรูปที่ทําให้เราทุกเราก็เกิดทุกขเวทนาเห็นรูปที่ไม่สุขไม่ทุกเราก็ทําให้เราเกิดไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาเวทนามันเป็นผลจากการที่ใจไปสัมผัสร่างกายไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสทศภา รูปเสียงกินรสโผฏจพลาที่ใจไปสัมผัสรับรู้มันก็เป็นของเนี่ยมีสามชนิดด้วยกัน uh huh. บางชนิดก็สุข uh huh. บางชนิดก็ทุกข์บางชนิดก็ไม่สุขไม่ทุกข์เช uh huh. ่นไปเห็นเงินในบัญชีโอ้อยู่ดีๆเงินขึ้นมาตัวเลขขึ้นมานี่แต่เห็นตัวเลขมันขึ้นมาก็สุขขึ้นมาทันทีนะแต่ถ้าเกิดตัวเลขอยู่ ด, ดีมันหายไปขึ้นมานี่มันก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีนะ แต่ถ้ามันไม่มันไม่มันไม่เพิ่มขึ้นมันไม่ลดลงมันก็รู้สึกเฉยเฉยไม่สุขไม่ทุกข์อันนี้แหละคือเมตนามันเป็นอย่างนี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาร่างกายของเรามันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเวลาร่างกายมันขาดข้าวขาดน้ํามันก็หิวขึ้นมาพอหิวขึ้นมามันก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาพอเติมน้ําเติมข้าวให้มันไปปั๊บมันก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาะ ในช่วงที่มันไม่หิวแต่ช่วงที่มันไม่อิ่มมันก็มันก็ไม่สุขไม่ทุกขเวทนาขึ้นมาเราต้องเข้าใจธรรมชาติของเวทนามันเป็นอย่างนี้แล้วเราต้องรู้ว่าเราไปไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้มันสุขอย่างเดียวไม่ได้สั่งให้ทุกขหายหไปไม่ได้สั่งให้สุขอยู่ไปเรื่อยๆอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเราต้องฝึกทำใจให้นิ่งให้เฉยให้เป็นอุเบกขา แล้วปล่อยปล่อยให้เวทนามันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเหมันจะสุขก็รู้ว่ามันมันต้องสุขตอนนี้มันสุขก็ต้องรู้ว่ามันสุขแล้วเดี๋ยวพอสุขหายไปก็รู้ว่ามันต้องหายไปเพราะมันไม่เที่ยงพอทุกข์เข้ามาแทนที่ก็รู้อ้าวถึงคิวของเจ้านี้มาแล้วอคือตัวทุกข์มาแล้วก็อยู่กับมันไปไม่ต้องไปทําอะไร ถามีโอเบขาแล้วไม่ต้องไปดินหนีมันให้เสียเวลาให้เหน็ดเหนื่อยแบบว่าหนีมันไม่พน้นหรอกหนีวันนี้เดี๋ยวพวกนี้มันก็ตามมาใหม่สู้เราฝึกใจสู้มันดีกว่าพอใจเราสู้กับมันได้แล้วเราไม่ต้องหนีเราไม่ต้องถอยเราเสู้กับมันเอามาเลยวันนี้จะสูข ก, ก็มาวันนี้จะทุกก็มาอันนี้ไม่สูขไม่ทุกก็มายินดีต้อนรับเสมอ <c oughs> ถ้าเราฝึกจิตใจให้นิ่งให้สงบให้มีโอเบขาแล้วใจเราจะเป็นอย่างนี้ ไม่หวั่นไหวกับปกานแปรปรวนของเวทนารู้เข้าใจธรรมชาติของเวทนาเหมือนกับที่เราเข้าใจธรรมชาติของดินฟ้าอากาศวันนี้ผนจะตกเอ้าก็ต้องปล่อยมันตกไปเยก่อนที่ญาติโยมมานี้ฝนก็ตกอยู่พักหนึ่งมันจะตกก็จะไปอยากให้มันไม่ตกมันก็จะทุกข์ไปเปล่าๆเพราะมันห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาอนัตตาคือเป็นธรรมชาติ ในร่างกายมันก็เป็นธรรมชาติมันเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเวทนามันก็มีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์ไปห้ามมันไม่ได้ไปสั่งให้มันไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ได้มันต้องเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าใจเราไปอยากเมื่อไหร่เวลานั้นใจเราจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็อย่าไปอยากให้อยู่กับสิ่งทุกอย่างตามมีตามเกิดพระเจ้าสอนให้เราหัน ปฏิบัติใช้สันโดษยินดีตามมีตามเกิดได้อะไรมาก็พอใจอย่าไปอย่าไปทุกข์กับมันบางคนได้ร้อยหนึ่งไม่พอใจเพราะว่าอยากจะได้พันหนึ่งก็ทุกข์ใจขึ้นมานะแต่คนที่ไม่ได้อยากได้อะไรเฉยๆพอได้ร้อยหนึ่งก็ดีใจหรือได้สิบบาทก็ดีใจไม่ได้สิบบาทก็ไม่เสียใจเพราะว่าอาจทําใจให้เป็นสันโดษ ยินดีตามมีตามเกิดการที่ใจจะเป็นสันโดษได้อย่างแท้จริงอย่างเป็นธรรมชาติก็เกิดจากการฝึกสตินั่งสมาธินี่เองพอจิตสงบนิ่งเป็นเป็นอุเบกขาขึ้นมาแล้วใจก็จะเป็นสันโดษไม่ยินดีร้ายกับอะไรยินดีตามมีตามเกิดสุขก็ได้ทุกข์ก็ได้ไม่สุขไม่ทุกข์ก็ได้เพราะเลือกไม่ได้หนีไม่ได้เวลามันทุกข์เจริีไปที่ไหน เวลาร่างกายเจ็บนี่ไปหนีไปที่ไหนคนบางคนคิดว่าฆ่าตัวตายแล้วจะหนีมันได้มันไม่หนีหรอกเราฆ่าตัวตายมันก็ตามไปมันอยู่ในจิตตัวทุกข์มันอยู่ในจิตไม่ได้อยู่ที่ร่างกายเดี๋ยวพอไปเกิดใหม่พอไปได้ร่างกายใหม่ได้ทุกขเวทนาใหม่ก็เจอปัญหาเดิมอีกแต่ถ้าเราแก้ปัญหาด้วยการทําใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาปัญหามันก็จะจบไปถ้ายังไปเกิดอยู่ไปเจอทุกขเวทนาใหม่ก็ไม่ทุกขกับมันเฉยๆได้ ไปเจออะไรที่เราไม่ชอบเราก็เฉยๆได้อย่างนี้คือผลนั้นผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาซักพ่อกจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์แจะทําทให้ใจเราปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามาสัมผัสรับรู้แล้จะทําทให้ใจเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นทุกข์แล้วมันก็จะทําให้ใจเราไม่อยากจะกลับมาเกิดอีกแล้วเราก็จะหยุดความอยากที่พาให้เรามาเกิด อยากหาความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นล้นเราก็หยุดไปเรามีความสุขจากความการทําใจให้สงบได้เราก็ไม่ต้องไปหาความสุขจากที่อื่นเมื่อเราไม่ต้องหาความสุขจากราบยศสรรเสริญเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเมื่อไม่ไม่ต้องใช้ร่างกายก็ไม่ต้องเกิดใหม่เวลาร่างกายอันี้ตายไปเราก็จะไม่ไปมีร่างกายใหม่ต่อไปการเกิดก็จะไม่เกิดขึ้นมา เมื่อไม่มีการเกิดความทุกข์ก็จะไม่มีตามมาตราบใดมีการเกิดไมไเลยก็ต้องมีความทุกข์ตามมาทุกข์กับความแก่ทุกข์กับความเจ็บทุกข์กับความตายทุกข์กับการพัดภากจากกันแต่พอไม่มีร่างกายไม่มีมาเกิดแล้วทุกข์ก็จะไม่มีอต่อไป <S <S นี่แหละคือผลที่จะเกิดขึ้นจากการที่เรามาชำระซักพอกจิตใจของเราตามเวลาเสื้อผ้าเรายังต้องซักพอกกัน อย่างน้อยอาทิตย์หนึ่งเราก็ต้องหยุดทํางานหนึ่งวันเอาซักเสื้อผ้าเราก็ต้องหยุดทํางานแล้วมาซักซักพอ่อจิตใจของเราด้วยจิตใจของเรานี่สําคัญยิ่งกว่าเสื้อผ้าหลายหมื่นเท่าหลายแสนเท่าด้วยกันแต่เรากลับไม่ซักพอ่อกกันแล้วกลับไปตมิมเติมสิ่งสโครกเข้าไปในใจวันหยุดแทนที่จะไปซักพอ่อจิตใจก็กลับไปเสพอบา ย, ยมุข ก, กันไปกินไปดื่มกันไปเที่ยวไปดูไปฟังกัน อันนี้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเรื่องของความเศร้าหมองทั้งนั้นที่จะตามมาต่อไปอันนี้วันหยุดทำงานควรจะเข้าวัดมาซักพอกจิตใจกันจะดีที่สุดแล้วจิตใจเราจะสะอาดบริสุทธิ์จิตใจเราจะมีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียว น, นี่คือเรื่องของธรรมะที่ออกมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พร ยะถาวาริวะหาปูราปริกุเลนติสาคหลังเอวเมวะอิโตทินังเปตางนังอุปกปติเอชิตังปะทิตังตุมห um ังคิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามะนิโชติ so อาระโสยะถาสัภีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตผวัตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานศีลิสะนิจังวุฒาปัจายโนจตารูธรรมวัฏฐนติอายุวันุสุขัง ช่วงตอบไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคำถามใครอยากจะถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้เลยช่วงเดียวที่สะดวกหลังจากที่เลอกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบอถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ วันนี้มีผู้ติดตามทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติ371ท่านทาง YouTube พระอาจารย์สุชาติ329ท่านทาง y o u t u ด e อกตรวีท่านวิทยุออนไลน์ online, 12ท่านขับเฮ้าส์ท่านผู้รับฟังหน้ากุติ116ท่านรวมทั้งหมด แปดร้อยเจ็ดสิบห้าท่านครับกรับนรัมสถารพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรม น, น่ากุติขอพระอาจารย์ช่วยชี้ทางในวันที่ชีวิตคู่มาถึงช่วงที่มีความคิดเห็นและความชอบต่างกันมากขึ้นมากขึ้นต่างฝ่ายต่างไม่รับฟังกันค่ะ ถึงช่วงอ น, นิจจังเลยไม่เทียมเขาเห็นเขาเห็นเหมือนกันเอย่างนี้ก็เปลี่ยนไปเห็นคนอะไรเรื่องเมื่อก่อนชี้ฟ้าเป็นฟ้าชี้นกเป็นนกคอย่างนี้ชีน้นกกลายเป็นฟ้าไปชี้ฟ้ากลายเป็นนกไปมันเปลี่ยนไปคนเรามันเปลี่ยนได้ความรู้สึกนึกคิดเคยรักเคยชอบกันมันก็เบื่อได้พอเบื่อมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์เกิดขึ้นมาก็ต้องยอมรับว่า ชีวิตคู่มันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลงไม่จากกันตอนตายก็จากกันตอนเป็นก็ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วไม่มีความสุขก็ก็อย่าไปอยู่ด้วยกันไม่แยกทางกันไปไปบวชชีไปบวชพระกันมีความสุขทั้งคู่อยู่คนเดียวกับมีความสุขมากกว่าอยู่สองคนเจ้าค่ะคำถามต่อไปจะพูรับฟังธรรมนนะคกขุติมีสองคำถามเจ้าค่ะกราบรรมชการพระอาจารย์ค่ะ หนูขอกราบเรียนถามข้อที่หนึ่งช่วงที่ปฏิบัติธรรมมีแต่ความอยากจะนั่งสมาธิไม่อยากจะเดินจงกรมหรืออ่านหนังสือธรรมะพอหยิบหนังสือมาใจก็คิดว่าขอหลับตาพุทโธแป๊บหนึ่งแต่ก็จะกลายเป็นนั่งนานไปเลยค่ะเป็นชั่วโมงรบกวนขอคำชี้แนะจากพระอาจารย์ด้วยค่ะถ้าเราปฏิบัติได้ก็ไม่ต้องอ่านหนังสือก็ได้ ทหนังสือเพื่อให้เรียนรู้วิธีปฏิบัติพอเรารู้จากวิธีปฏิบัติแล้วเราก็ไม่ต้องดูก็ได้นา น, น, านดูครั้งก็ได้เวลาที่เรามีความสงสัยหรืออยากจะรู้อะไรก็ค่อยไปเปิดดูก็ได้แต่ถ้าเราสามารถปฏิบัติได้แล้วก็ถือว่าเราผ่านขั้นศึกษาแล้ว<ม>เหมือนกับถ้าเราหัสขับรถเราตอนต้นก็ต้องอ่านตำราก่อนวิธีขับรถขับอย่างไรขับอย่างปลอดภัยพอเรารู้วิธีแล้วเราก็ไปขับรถกัน เราก็ไม่ต้องมาคอยเปิดตำราดูอนอกจากถ้าเราไม่เข้าใจตรงไหนแล้วก็ใหกลับมาเปิดตำราดูต่ อ, อยันถ้าเราปฏิบัติได้แล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องศึกษาก็ได้หรือศึกษาแบบเป็นตามเวลาตามพอสมควรเช่นวันพระก็ฟังเทศฟังธรรมสักครั้งหนึ่งก็ได้ อ, อย่างน้อยควรจะมีการฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆมันจะได้ไม่หลงไม่ลืม เชิอค่ะคำถกักข้อที่สองพระโสดาบันท่านยังมีความอยากแต่งตัวสวยงามใหมคะมีอยู่ท่านยังมีการมราคะอยู่ท่านยังอยากจะมีแฟนอยู่เมื่ออยากจะมีแฟนก็ต้องทำตัวเองให้สวยงามก่อนเพราะถ้าตัวเองไม่สวยงามก็จะไม่มีใครมาชอบเราเป็นเป็นแฟน ใช่ค่ะคุณคุณกระต่ายค่ะถามเข้ามาว่ากราบในมัชกาย์พระอาจารย์ โปรช่วยชี้แนะในการควบคุมความคิดได้ไหมคะรู้สึกข้างในมีจิตอกุศลจิตชอบคิดสิ่งที่ไม่ดีชอบเผลอไปคิดไม่ได้ตั้งใจเมื่อครั้งหลุดจากอารมณ์นั้นได้กับความรู้สึกอยากลองกลับไปดูว่ายังรู้สึกอยู่หรือไม่เหมือนมีอะไรทดสอบอยู่ตลอดเวลาแม้ยามนอนยังไม่กล้าหลับเพราะกลัวเผลอไปคิดความคิดนี้น่ากลัวจาก จากควบคุมมันได้อย่างไรพยายามนั่งสมาธิบ้างออกกําลังกายบ้างหรือว่ายัางนั่งสมาธิไม่สม่ําเสมอเพราะมันทําให้รู้สึกว่าจิตใจไม่มั่นคงเลยค่ะต้องใช้สติต้องพุโทโธพุโทโธไปทั้งวันถ้ามีพุโทโธแล้วมีความคิดอย่างอื่นมันจะเข้ามาไม่ได้แพยายามฝึกสติพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเวลาเกิดความคิดไม่ดีเข้ามาแล้วก็ใช้พุโทโธหยุดมันได้ แต่เบื้องต้นนี้ต้องพุโทโธไปทั้งวันก่อนเช่นวันพระนี่เรามาฝึกพุโทโธตั้งแต่ตื่นจนดับดูถ้าทำได้แล้วเราประกันได้ว่าใจเราจะมีสติมากสามารถควบคุมความคิดปรุงแต่งต่างๆได้เจ้า่ะคุณพลอยนิสาถามเข้ามาว่ากรับนมัสการเจ้าค่ะวันพระที่เราถือศีลแปด เราสามารถดูพระอาจารย์เทศสอนเรื่องต่างๆได้หรือไม่เจ้าคะผิดศีลไหมเจ้าคะอ๋อไม่ผิดหรอกถ้าดูธรรมะไม่ให้ไปดูพวกเครื่องบันเทิงต่างๆเพราเอาศพบันเทิงการบ้านการเมือ ง, อ ย, งอย่าไปดูเพราะเรื่องราวเหล่านี้พอไปดูไปฟังแล้วมันทําให้เกิดใจเครียดขึ้นมาเกิดใจวุ่นวายขึ้นมาแต่ถ้าฟังเทศฟังธรรมแล้วจะทําให้ใจสงบจะทําให้เกิดปัญญา ค่ะคุณสาธิตแมนพ่วงถามเข้ามาว่าถ้าเราจะคิดถึงความตายในระหว่างวันเราควรจะเริ่มต้นด้วยอะไรครับแล้วถ้าเราคิดถึงความตายบ่อยๆเราจะมีกําลังใจในการทํางานใหม่ครับก็อยู่ที่ว่าจิตเราใช้การพิจารณาความตายได้หรือไม่การพิจารณาความตายนี่เป็นการเตือนสติให้เรารู้ว่าชีวิตของเรานี้มันไม่ เท่งแท้แน่นอนเราอาจจะตายวันตายคืนตายเวลาไหนก็ได้การจเจริญ ม, มนานุสติคือเราเรีกว่าห็ความตายนี้เพื่อให้เราไม่ประมาทก็ให้เราไม่ไปหลงกับการหาความสุขทางโลกกันเวลาที่เราไปมัวเมากับความสุขทางโลกอยากจะร่ำอยากจะรวยอยากเป็นใหญ่เป็นโตให้คิดถึงความตายบ้างพอคิดถึงความตายแล้วมันก็จะสะ ด, ดุดจะหยุดกึกขึ้นมาไว้ เป็นไปเดี๋ยวก็ตายรวยเท่าไหร่แล้วเดี๋ยวก็ตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้<ม>ก็สู้กลับมาปฏิบัติธรรมดีกว่า<ม>การเจริญมนานุสตินี้ก็เพื่อให้เราตัดความโลภความอยากทางโลกให้น้อยลงไปแล้วก็ละความกลัวตายให้น้อยลงไปได้ด้วย<ม>ถ้าเรากลัวตายนี่เราต้องสอนใจเลยนะกลัวยัวยงไงก็ต้องตายไม่ช้าก็เร็วก็ต้องตาย แต่ถ้าช่วงที่ให้คิดพิจารณาความตายแล้วใจไม่ไม่สู้ใจเศร้าหมองก็อย่าเพิ่งพิจารณาให้ฝึกสติทําสมาธิให้ใจเข้มแข็งก่อนถ้าใจยังไม่มีสมาธิใจจะอ่อนแอจะไม่ยอมรับความจริงจะไม่ยอมรับความตายพอคิดถึงความตายก็จะเกิดความกลัวเกิดความเศร้าขึ้นมาได้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็ยังใช้การพิจารณาความตายไม่ได้ เชอค่ะคำถามจากยู u b e คำถามค่ะพระอาจารย์คะการถ่ายชีวิตโคกระบือหรือสัตว์อื่นๆเช่นกาเตา่าเรียกว่าเป็นการทำทานใช่ไหมคะก็เป็นการให้ชีวิตของเงชีวิตนี้เป็นทานที่สูงสุดใครจะรับก็อะไรเท่ากับรับชีวิตของตนใช่อให้เอาสมบัติกองเท่าบูเขามาแลกก็เราก็ไม่ยอมใช่ไหม เอาไหมจะให้ร้อยล้านพันล้านแต่จะขอเอาชีวิตคุณเค่ะจากคุณวราพรขอการกราบเรียนขอคำแนะนาถามเรื่องพิจารณาเดินปัญญาขณะนั่งสมาธิภาวนาทำอย่างไรเริ่มอย่างไรคะอ๋อทำคลทำคนละตอนกันไม่ได้ทำพร้อมกันเวลาทำสมาธิเราก็ทำสมาธิอย่างเดียว เพราะการทำสมาธิเป็นการหยุดจิตไม่ทำงานให้จิตนิ่งให้จิตพักผ่อนให้จิตมีความสุขมีความอิ่มส่วนปัญญานี้เราต้องรอออกจากสมาธิก่อนแล้วค่อยมาคิดทางไตรลักษณิจังทุกขงังอนัตตาเช่นร่างกายเราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวเราต้องทำตอนที่เราไม่ได้อยู่ในสมาธิเวลาอยู่ในสมาธินี้ไม่ให้ทำอะไรให้พักผ่อน เหมือกับร่างกายในเวลาเราพักผ่อนหลับนอนเราไม่ปลุกมันขึ้นมาไปไปทํางานเพราะว่ามันต้องการเวลาพักผ่อนหลับนอนมันไม่มีเรี่ยวมีแรงมันง่วงนอนก็ต้องให้มันนอนปล่อยให้มันนอนไปจนกว่ามันจะตื่นขึ้นมาเองพอตื่นขึ้นมาเราก็ลุกไปทํางานต่อได้ทันใดร่างกายกับจิตใจก็เหมือนกันการทํางานทางปัญญาก็เป็นการทํางานการเข้าสมาธิก็เป็นการพักผ่อน มันต้องยากกันทำสองอย่างพร้อมกันไม่ได้เจ้าค่ะ <c oughs> มีคำถามจากคุณกรสินกราบนมารมบัณฑท่านพระอาจารย์ครับผมนาย เกษินอยู่จังหวัดนนท บ, บุรีครั้งหนึ่งผมได้เคยกราบเรียนกับท่านพระอาจารย์ก่อนกลับบ้านโดยพูดประมาณว่าผมไปฟังธรรมที่นากุติเดือละหนึ่งครั้งแต่เนื่องจากผมเกรงว่าถ้าเดือนไหนผมไม่สามารถไปฟังที่นากุติได้และจะกลายเป็นการพูดปดจึงกราบเรียนขอแก้ไขคําพูดใหม่ ถ้าไม่ติดขัดอะไรหรือถ้าเป็นไปได้ผมจะเดินทางไปฟังธรรมที่นากุติเดือนละครั้งแทนคำพูดเดิมจึงกราบขอ ข, อขมาและกราบขอพระครูหนึ่งครับไม่พูดก็ได้ไม่พูดไปทําไมพูดแล้วมันก็มัดตัวเองไว้เขาเขาหามีคำคำพูดไว้ว่าก่อนจะพูดเราเป็นนายของคำพูดาให้มันพูดอะไรก็ได้ แต่พอเราพูดไปแล้วคำพูดมันจะเป็นนายของเรามันจะสั่งให้เราทำตามที่เราพูดเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความจำเป็นแล้วอย่าไปพูดอย่าไปให้คำมั่นสัญญากับใครถ้าจะให้คำมั่นสัญญาก็ต้องมีวงเล็บไว้ถ้าถ้าทำได้ถ้าทำได้ค่อยทำอ ย, อย่าไปพูดดีกว่าถ้าไม่แน่ใจก็อย่าไปพูด <c oughs> เรื่องราวเหล่านี้คนจะพูดกับตัวเราเองจะดีกว่า พาไปพูดกับคนอื่นเดี๋ยวเขาหาว่าโกหกหลอกลวงเขาคุณคุณหญิงก็มีคำถามการมรดกา ร, รอาจารย์พูดได้พูดใกล้ๆปากเลยการมั ส, สการค่ะอาออจารย์งหงอของกองดังงกอง ค่ะกลับนมัส ก, การค่ะพระอาจารย์วันนี้โยมมีคําถามเกี่ยวกับเรื่องสติปัฏฐานสี่ค่ะพระอาจารย์ที่เมื่อกี้พระอาจารย์เทศถึงเรื่องมันมีหมวดกายเวทนาไปแล้วโยมพอเข้าใจแล้วคะ่ะทีนี้หมวดจิตนะคะจิตตาอนุปัสนาสติปัฏฐานเนี่ยมันก็เหมือนกับการดูจิตใช่ไหมคะพระอาจารย์ก็เหมือนกับดูเวทนานะเวทนามีสุขมีทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์จิตก็มี อารมณ์สดชื่นเบิกบานอารมณ์ผ่องใสอารมณ์เศร้าหมองมันก็ไม่เป็นอนิจจังทุกถังหน้าตาเหมือนกันบางวันเราก็เศร้าบางวันเราก็เบิกบานบางนอนเราก็ดีใจบางวันเราก็เสียใจ น, นี่คือจิตจก็อย่าไปอย่าไปหลงตามันรู้ว่ามันมาแล้วก็ไปวันนี้อารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ดีก็หมดไปเดี๋ยวอารมณ์เศร้าก็เข้ามาแทานที่ได้เดี๋ยวพออารมณ์เศรา้าเข้ามาก็อย่าไปวุ่นวายกับมันก็รู้ว่าเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนฝนตกแดดออก เหมือนเหมือนกับเวทนาเจ้าค่ะทีนี้ว่าก็เหมือนกับกายเราก็คือสุดท้ายก็คือเป็นอนนี้จังทุกขั้งนักตา ม, มันไม่เที่ยงเวทนาก็เหมือนกันที่มันมีความไม่แน่นอนออจิตเองก็เหมือนกันใช่ไหมค<อ>ะที่ จ, จะเปลี่ยนไปเปลี่ยน ม, <อ>มามนมนมนแต่ตัวจิตตัวรู้นี่ไม่เปลี่ยนตัวรู้ตัวคิดมันมีอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะทีนี้ทั้งสามหมวดเนี่ยอย่างวันแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยบางทีอเวลาเราปฏิบัตินะเจ้าค่ะ บางทีเราก็ส่วนใหญ่จะคุ้นเคยกับอาณาปานสติหรือว่าพุท ธ, ธานุสติอย่างเงี้ยค่ะบางทีเราก็ไม่ได้ไม่ได้พิจารณาถึงจิตยังไม่ถึงเวลามันเป็น เ, เรียนหนังสือมันคนละวิชากันคนละชั้นกันใช่ค่ะชั้นประถ ม, มก็เรียนวิชาของชั้นประถมไปพอขึ้นมัธยมก็มเรียนวิชาของชั้นมัธยมไปเบือ้องต้นก็ฝึกสติก่อนอวิชาสติพ อ, อได้สติได้สมาธิแล้วก็มาฝึกปัญญาทางร่างกายก่อน ศึกษาเรื่องร่างกายก่อนว่าไม่เที่ยงมันเกิดแก่เจ็บตายมันไม่สวยไม่งามมันไม่นาสุภาพสุพังณมันเป็นธาตุ ส, าสี่นิ้นน้าลงไยเอาทีละเรื่องทีละ ว, วิชาเจ้าค่ะพอผ่านได้แล้วก็มาม า, มาทางเวทนาเวทนาก็สุขไม่สุขไม่ทุกข์แล้วค่อยมาวิชาทางจิตอีกทีอ้าค่ะไม่ได้ทําทีเดียวพร้อมกันหมดทจ้งรุ่นแยกกันทำเป็นคนละวิชาเลยอ๋อเจ้าค่ะอะ งั้นตอนนี้ถ้าเรายังถนัดกับเรื่องหมวดกายก็เอาหมวดกายให้คล่องก่อนต้องปล่อยกายให้ได้ก่อนถึงจะไปทางเวทนาได้เจ้าค่ะงั้นมหมวดสุดท้ายไวโยมค่อยถามเจ้าค่ะค่อยถามกลับขอบพระคุณเจ้าตอนนี้ดูจิตก็ดูแล้วดูแล้วก็ทําอะไรมันไม่ได้ควบคุมมันไม่ได้ทําใจเฉยกับมันไม่ได้เพราะดูจิตจิตเศร้าขึ้นมาก็อยากจะให้มันหายเศร้าขึ้นมานทีโอเคเจ้าค่ะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะ คำถามจากคุณนัทเจ้าค่ะกราบขอเมตตาพระอาจารย์ให้แนวคิดเรื่องการกินเจรหรือการงดเนื้อสัตว์ครับผมสงสัยว่าทําแล้วได้บุญไหมครับหรือถ้าไม่ทําคือทานเนื้อสัตว์แล้วเป็นบาปไหมครับกราบขอแนวคิดจากพระอาจารย์ครับกินเจกินเจก็กินผักใช่ไหมเจ้าค่ะหัะวควายไม่กินผักก็แบบกินผักกินหญ้าว่ะ แล้วโคาิมันวิเศษขึ้นมาแล้วเป่าการกินอะไรนี่มันไม่ได้ทําให้คนวิเศษเรือ็วลงไปแต่อย่างใดเรื่องการเรื่องของการกินนะกินอะไรก็มันเป็นเรื่องของการเอาธาตุเข้าไปในร่างกายเท่านั้นเองไม่ได้เป็นการทําบุญหรือเป็นการทําบาปแต่อย่างใด<ม>การทําบุญก็คือการไปใส่บาตรการให้ทานการาช่วยชีวิตของสัตว์นี้สัตว์ก็จะเอาไปฆ่าแล้วก็ไปถ่ายชีวิตเขา อันนี้วเรียกว่าเราได้ได้บุญคือการไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเนี่ยคือการไม่ทําบาปนี่ถืเอเป็นการทําบุญแต่การกินของที่ตายแล้วไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญถ้าควายมันเป็นมันไม่สบายแล้วมันตายไปเนื้อมันแก่ตายไปเราจะเอาเนื้อหนังมาทํากับข้าวมันก็ไม่ไม่เสียหายไม่เป็นบาปมแต่อย่างไรไม่เป็นบุญแต่อย่างไรแต่ถ้ามันยังมีชีวิตอยู่แล้วเราอยากจะกินเนื้อมันเนี่ยแล้วไปฆ่ามั น, นี่ย แล้วแล้วเอาเนื้อมันมากินเนี่ยอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าบาปแต่ไม่ได้บาปเพราะกินเนื้อบาปเพราะไปฆ่าเขาฉะนั้นบาปกับบุญอยู่ที่ฆ่าหรือไม่ฆ่าถ้าฆ่าก็บาปถ้าไม่ฆ่าก็เป็นบุญเจ้าค่ะจากเฟซบุ๊กเราจะวานใจกับคนต่อต้านกิจกรรมเสริมธรรมะให้กับเยาวชนอย่างไรเจ้าค่ะเราอย่าไปต่อต้านเขาแล้วทำหน้าที่ของเราไป เขาขวางเราแล้วก็เราก็ไปเส้นหนึ่งก็ได้ถนนมันมีหลายเส้นไม่จําเป็นจะต้องไปผ่านเส้นนี้เส้นเดียวถ้าไปตรงนี้ถนนนี้ขาดเราก็ไปหาเส้นใหม่ต่อไปทําหน้าที่ของเราอย่าไปมีเรื่องกับใครอนักธรรมะนักบุญนี้จะไม่ไปไปชนกับใครไม่ไปมีเรื่องมีราวกับใครถ้าทําไม่ได้เราก็หยุดเปลี่ยนที่ใหม่ไปทําที่ใหม่ต่อเจ้าค่ะ มีคำถามฝากถามว่าหากเราแท้งลูกถุง ก, การตั้งครรภ์ฝ่อไปเองเด็กในครร์หัวใจหยุดเต้นไปเองผู้เป็นแม่ต้องยุติการตั้งครรภ์แบบนี้เป็นบาปติดตัวแม่ไหมคะมีการจุติของดวงวิญญาณหรือยังหากมีแล้วเราจะช่วยจิตของลูกที่หลุดไปได้อย่างไรคะ คือถ้ามันตายเองเนราไม่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนี้เราเวลาที่เอาเด็กออกจากท้องก็ไม่บาปเพราเด็กตายแล้ว<ม>ถ้าเด็กยังไม่ตายนนี้ เ, เอาออกจากท้องแล้วทําให้เขาตายนี้ยังถือว่าบาปอยู่<ม>ส่วนสิ่งที่เราจะทําให้กับดวงวิญญาณได้ก็คือทําบุญอุทิศบุญไปให้กับเขายังไม่มีคําถามเข้ามาเจ้าค่ะ<ม>โอเคมีใครอยากจะถามอะไรไหม ถ้าไม่มีเดี๋ยวพอแล้วกอยากเข้ามาถามเนะีพอเดี๋ยวคนนั้นจะมาขอถ่ายรูปคนนี้นจะมาลางแล้วมันจะไม่สะดวกที่จะตอบคําถามตอนนี้สะดวกที่สุดก็คือตอนนี้มีเข้ามาก็เลยมีคําถามจากทางเฟซบุ๊กเจ้าค่ะการที่เราทําทานกับบุคคลที่เรารักเช่นแม่ลูกพ่อ มักทําได้ง่ายหรือเสียสละได้ง่ายและรู้สึกมีความสุขมากที่ได้ทําทานกับบุคคลเหล่านี้หรือทําทานกับบุคคลอื่นๆที่เรารู้สึกดีด้วยมากกว่าและมักจะหลีกเลี่ยงที่จะทําทานหรือไม่ทําทานกับบุคคลที่เรารู้สึกไม่ดีด้วยหรือที่มีมากกว่าเราอยู่แล้วการทําทานแบบนี้จะเหมาะสมหรือไม่ครับออการทําทานนี้มันจะได้บุญต้องเป็น ต้องเป็นการทำทานโดยที่เร า, เาไม่ใช่เป็นหน้าที่ของเราเช่นถ้าเรามีลูกเนีย่ยหน้าที่ของเราต้องเลี้ยงลูกเนีย่ยเลี้ยงลูกไม่ได้บุญหรอกเพราะว่าเป็นเป็นการทำหน้าที่แต่ถ้าการให้เลี้ยงดูพ่อแม่นี่ไม่ใช่หน้าที่ของเราแต่เราอยากจะทำเพราะอยากจะทดแทนบุญคุณกับท่านอย่างเงี้ยอันนี้ได้บุญเราะฉะนั้นเราต้องทำกับลูกก็เราก็เหมือนกับทาให้กับตัวเรา เวลาเรากินข้าวเนี่เราทำให้กับตัวเราเราไม่ได้บุญเอะเวลาเราเอาข้าวให้ลูกกินก็เหมือนกันเพราะเราถือว่าลูกนี่เป็นเราเป็นส่วนหนึ่งของเราแต่พ่อแม่เ น, นี่เราไม่ได้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของเราพ่อแม่เราถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งคนที่มีมีพระคุณกับเราที่เราอยากจะตอบแทนบุญคุณอันนี้ถึงจะได้บุญเจ้าค่ะยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ะโอเคถ้าไม่มีก็ท่านี้ก่อนสาหรับวันนี้